เรื่องมังสะเปสิกเปรตหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อ2 2 9สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพรละลักษณะกับท่านพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะ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 เ ป, เปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรง้งนกกานกเหยื่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกถึงยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษูทั้งหลายพากันตำหนิประนาม โภนธนาว่าพระมหาโมกคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายมีจักษุ ญ, ญานก็มีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นมังสะเปสิเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณ์นั้น จะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในครุงราชครือเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไม่อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลานะกล่าวจริงไม่ต้องอบับดวงเล็บเรื่องที่37